Thank mm -hmm. you. ที่หลวงพ่อเทียนยังไม่ได้ไปบุกเบิกวัดสนามในท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้มาสอนพระที่จำพรรษาที่วัดชนรปทานปี18หลวงพ่อกำเเยงก็ได้ไปด้วยตอนนั้นท่านก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจารย์โกวิทได้เล่าให้ฟัง ในช่วงนั้นก็มีการอภิปรายระหว่างศาสนาพูดคริสต์อิสลามทางฝ่ายอิสลามก็มีตัวแทนคือฮัดยีประยูนวัฒนยักกุลฮัดยีประยูนนี่คนที่คุ้นเคยกับสวนโมก็จะรู้จักดีเพราะว่าท่านเป็นกรียนามิกาท่าจากวุทิธาตก็มีตอนหนึ่งฮัดยีประยูนได้พูดว่าเมื่อใดก็ตามที่พระอเลอยู่ ประยูนก็ไม่อยู่เมือ่อใดที่ประยูนอยู่ผ่าเลาะก็ไม่อยู่พูดอย่างนี้หลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอพูดจบหลวงพ่อเทียนก็ตรงเข้าไปจับมือจับไม้ทาจิประยูนว่าเนี่ยพูดถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยทาจิประยูนต้องการจะพูดว่าเมือ่อใดที่เข้าถึง พระอเลเมื่อนั้นก็ไม่มีความยิดมันสำคัญหมายว่าเป็นประยูน์แต่เมื่อใดก็ตามที่ใจนี้ไม่เข้าถึงพระอเลนี้ก็ไอความถือตัวว่าเป็นประยูน์นี้ก็มีอยู่ถ้าพูดแบบพุทธก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่พุท ธ, ธะหรือพุโทโธอยู่นะตัวฉันก็ไม่อยู่หรือไม่มีเมื่อใดที่ตัวฉันมีนะพุท ธ, ธะนะ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 การปฏิบัติเนี่ยที่เราเจริญสติกันเนี่ยนะมันก็คือการพยายามที่จะทําให้ความยึดติดถือมั่นที่ปรุงแต่งว่ามีตัวตนนี้มันหายไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่สลายตัวตนหรือความยึดยึติดตัวตนได้เท่ากับสติหรือว่าความรู้สึกตัวอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสสอนอาหิยะนะซึ่งพอพอตรัสสอนเสร็จ ก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ทันได้บวชเลยท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อใดที่เห็นสักตะวันเห็นได้ยินสักตะวะได้ยินได้กลิ่นสักตะวันได้กลิ่นได้ลิ้มรสสักตะวัได้ลิ้มรสะะมรู้สึกสัมผัสที่กายก็สักตะวะรู้สึกหรือว่ารู้ธรรมอารมณ์ก็สักตะวันรู้ธรรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีก็จะไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้โลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ที่สุดทั้งทงทุกคือตรงนี้แหละคือว่ามันทําให้อีกความเป็นตัวฉันเนี่ยมันหมดไปหรือความปรุงแต่งว่าตัวฉันนี่หมดไปมีสตินะทางตาหัวจมูกร่างกายแล้วก็ใจมีสติตั้งแต่ในขั้นผัสสะเมื่อตากระทบโลกหูได้ินเสียงตรงนี้แหละนะก็จะทําให้ความเป็นตัวเธอหรือว่าตัวฉันตัวกูเนี่ยมันมันไม่มี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 มันก็ไม่มีนะไอตัวกูมันก็หายไปก็เห็นก็เห็นแต่อาการที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกเช่นความโกรธความเกลียดความชอบความรักความปรารถนาไอสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสติเมื่อไหล่ ม, มก็ไปยึดว่ามีตัวกูผู้ชอบผู้เกลียดผู้โกรธนะผู้ปรารถนาแต่ว่าพอมีสติเข้าไปเห็นนะ มันก็เหลือแต่ไอความชอบความเกิดความกลัวความปรารถนาเท่านั้นแหละแต่มันไม่มีตัวผู้ชอบหรือตัวกูผู้ชอบนะ<ม>ผู้เกลียดผู้กลัวผู้ปรารถนานเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่มีตัวกูเป็นผู้เดินนะมันมีแต่อาการเดินและก็ที่เดินนั่ก็เป็นรูปไม่ใช่เราแต่พอเผลอเมื่มอไหร่หรือไปไปฏิบัติผิดเช่นไปบริกรรมไปคิดเอาว่าฉันเดินฉันเดินฉันเดิน หรือว่าสร้างจังหวะก็ไปคิดเอาว่าฉันสร้างจังหวะมันมีตัวฉันขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเมื่อไปคิดแบบนั้นไปย้ำกับตัวเงแบบนั้นในความรู้สึกตัวก็หายไปหรือว่าเวลาเพ่งก็กเหมือนกันเวลาเพ่งเนี่ยมันก็จะมีความอยากอ ย, กอยู่เบื้องหลังการเพ่งความอยากจะได้มีได้เป็นได้สติอยากจะได้ความสงบ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 แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันนะหรือว่าเราเลึกรู้ในกายและใจตามเห็นกายและใจอยู่อย่างต่อเนื่องนะที่เ้าเรียกว่ากายอนุ ป, ปั ส, สนาเวทนานุ ป, ปั ส, สนาจิตตานุ ป, ปั ส, สนาธรรมอนุ ป, ปั ส, สนาเนี่ยมันพูดง่ายๆสรุปรว ม, ร ม, รมคือว่ารู้กายรู้ใจ ไม่ว่ากายทําอะไรอิรียบบทไหนคู่เยื้อเคลื่อนไหวกลไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็ก็รู้แต่ถ้ามันเข้าไปในความคิดเมื่อไหร่นะมันก็ไม่รู้นะมันทําไปโดยโดยไม่รู้ตัวพอคันปุ๊บมันก็เก่าเลยโดยตโนธเป็นปฏิกิริยาโดยที่ในใจไม่ได้ไปรับรู้ด้วยเก่าวเสร็จถึงค่อยรู้หรือเก่าวเสร็จบางทีก็ไม่รู้นะ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 แล้วก็อย่าทำแค่นี้นะเวลาเดินจากศาลาไปกุฏิที่พักเวลาถูฟันเวลาอาบน้ำเวลาล้างจานเวลาล้างเท้าเวลาถูบ้านสักผ้าอะพวกนี้มันเป็นอิเลียบ ท, ที่สามารถสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้หมายความว่าเราทำอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นี่อยู่แบบอยู่แบบไม่ใช่ไปเพ่งนะ แค่รู้นะแค่รู้สึกถ้าไปสักท้าแล้วไปเพ่งนี่มันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นการไปบังคับจิตมันไม่ใช่แค่เอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปนี่ก็คือว่าไปเอาใจไปรู้การเคลื่อนไหวของกายนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่เอาใจไปรู้แต่ไม่ใช่ใจไปเพ่งไปเพ่งนะั้มันก็ไม่ใช่แล้วความรู้สึกตัวก็หายไปเพราะมันก็จะกลายเป็นความรู้สึก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 ที่เกิดขึ้นในใจให้ความไม่รู้ตัวหรือความหลงนี่มันมันทำให้เรามั่วทำให้เราแย้มหมองอระหว่างความจริงกับความรู้สึกหรือปฏิกิริยาจากใจเราถามเรื่องอากาศแต่ไปไ ป, ไปพูดถึงความรู้สึกของเราเวลาหลงมันจะเป็นอย่างนั้นโดยเพราะเวลาที่เราปล่อยให้ตัวตนตัวกูมาเป็นใหญ่นะเวลาเราหลงความรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยตัวกูมันจะเกิดขึ้นมาเป็นใหญ่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 แต่พอเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถ้ามองแบบชาวบ้านแล้วเหมือนกับผีเข้านะจะกลายเกลี้ยงเออะโวยวายด่าทอที่เคยเรียบร้อยพูดกับพ่อแม่เพราะพ่อก็อออจะด่าทอแม่นะเสดหายทำตัวเหมือนกับเป็นคนละคนเหมือนกับคนระบุคลิกบางคนนี่เหมือนกับตั้งชื่อตัวตนของทั้งสองตัวนี้เป็นชื่อคนละอันกันบางทีก็เวลาที่เป็นปกติก็เป็นคนเรียบร้อย อาจจะเสียงเบาๆนะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแต่พออีกตัวนึงโผล่ขึ้มานี้มันกลายเป็นตัวที่กลัดเกลียวนะมั่นใจตัวเองรุนแรงบางคนก็ใช้วิธีสะกดจิตก็ไอตัวตนนี้ก็โผล่มาแต่ว่าสองตัวตนในคนเดียวกันนียังถือธรรมดานะมีบางรายนี้มีมากกว่าสิบตัวตนในคนเดียวกันอย่างเมื่อเร็วนี้เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุสา เริ่มมาหาหมอเพราะว่าเครียดอยากจะฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุสิปีตลอดเวลาที่17บเที่หาหมอเนี่ยบอกว่าหมอนี่เจอความลึกลับของคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆตัวผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อแคร์เรนคุยไปพบไปพบมาบอกว่าเขาเนี่ยมี17บุคลิกในคนเดียวกันแล้วแต่บุคลิกหรือแต่ละตัวตนนั่นก็มีชื่อต่างๆกันบางคนก็เป็นเด็กตัวเล็กๆ78็ขวบบางคนก็เป็นผู้หญิงบางคนก็เป็นผู้ชาย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 อย่างเดียกที่พูดว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าเจ็ดลึกๆเนี่ยเกียดพ่อเกลียด er แม่ที่บังคับตัวเองแต่ว่าจะด่าพ่ อ, พอด่าแม่หรือจะเถียงพ่อเถียงแม่ก็ทําไม่ได้มันก็มีทงางออก็คือสร้างตัวตนใหม่เป็นตัวตนที่กล้าลพอตัวตนตรงนี้เกิดขึ้นเอาละด่าพ่อด่าแม่ได้เต็มที่เลยไม่รู้สึกผิดมันได้ระบายแล้วทําอะไรก็ทําตามใจได้ พอทำไปสักพักก็กลับมาเป็นตัวตนเดิมมันก็มีคําถามว่าเอ๊ะละหลายตัวตนจะอยู่ในคนเดียวกันได้ยังไงมันก็อยู่ได้เพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นการภูมงแต่งนะถ้าตัวตนมีอยู่จริงมก็ต้องมีตัวตนเดียวมันจะมีหลายตัวตนได้ยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุตนะิสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าเป็นแครเรนบางสมมุ่นว่เป็นเซตนี่บางสมมุ่นวเป็นไม้บง้งสุดท้ายแต่ว่าเหตุปัจจัยจะเป็นยังไงแล้วมันก็เชื่อจริงๆนะ เวลาเป็นซิดนียก็เป็นเชื่อโดยมีซิดนียจริงๆมีประวัติต่างๆพร้อมปรุงแต่งเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าตัวเองอายุเท่าไหร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วมันก็เชื่อจริงๆด้วยแต่นี่คือวิธีการที่จิตเนี่ยมันจะหลบมันจะหนีทุกข์แต่เป็นการหนีทุกข์แบบแบบปุตชชนนะไม่ใช่เป็นการหนีทุกข์แบบคนที่เข้าใจโลกนะเพราะถ้าเข้าใจโลกจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรเลยแม้แต่น้อย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 บอกว่าเป็นภาพที่เห็นคนนี้เขาสมองซีกขวาก็เห็นเห็นรูปบ้าน <S <S ใช่ไหมเขาก็จะหยิบภาพบ้านมาให้ดูสมองซีกขวามันพูดไม่ได้แต่มันบังคับมือซ้ายได้สมองซีกขวาบังคับมือซ้ายมือซ้ายก็หยิบหยิบภาพบ้านมาให้ดูก็รู้ว่าคนนี้เห็นเห็นภาพทางด้านซ้ายมือด้วยสมองซีกขวาแต่สมองซีกซ้ายไม่เห็น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 ไอ้สมองซีกขวาเนี่ยมันเห็นภาพบ้านมันก็ใช้มือซ้ายเนี่ยหยิบคอ้อนขึ้นมาเพราะคอนกับบ้านนี่มันเกี่ยวข้องกันก็เป็นนั้นว่ามือขวานนะถือภาพไก่มือซ้ายถือคอนคนนี้ถามนะคนนี้เขาถามแล้วว่าทําไมถึงหยิบ2 อ, อย่างนี้ขึ้นมาทําไมถึงหยิบไก่หยิบภาพไก่ไอ้สมองซีกซ้ายมันตอบได้ไงก็เห็นภาพไก่แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมหยิบค้อนนะ่ะ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 คนคนนี้เนี่ยก็มีสองคนในร่างเดียวกันแล้วก็ร่างหนึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายร่างอยู่ในสมองซีกขวาสมองซีกขวาสั่งให้มือนี่มือซ้ายยกมือซ้ายหยิบคอนแต่สมองซีกซ้ายมันไม่รู้ว่าหยิบคอนทาไมเพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นภาพบ้านมันก็เลยอธิบายไปคุนๆว่าเอาคอนมาเพื่อที่จะทำกรงใส่ไก่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 ด้วยมือมันปรุงแต่งแล้วนี่มันจะมีกี่ตัวตนมันก็ปรุงได้ทั้งนั้นหรือมันจะมี2ตัวตนในเวลาเดียวกันมันก็ทําได้แต่ทั้งหมดนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าอาศัยการทดลองแต่ว่าในชีวิตจริงงคนรอมก็พบได้ว่าคนรยมันเปลี่ยนความยึดมั่นสําคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราอยู่ที่นี่เราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นลูกศิษย์แต่เวลาไปเจอลูก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 เป็นลูกน้องก็ต้องการความยกย่องจากเจ้านายแต่เป็นเจ้านายก็ต้องการความพักดีจากลูกน้องแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็ทุกและถ้าแบกเอาความทุกเหล่านี้ไปมันก็ทุกสารพัดนะมี10บอย่างก็ทุกสิบอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะที่จะรู้ว่านี่มันสมมุติแล้วก็รู้ว่าอย่าไปเหลิ่งกับมันอย่าไปเพลินกับมันเพราะว่ามันก็ทําให้เราทุกได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็